เวล่าห้าวเขินไปปัดไะกวดทั้งเทิงเพื่อนเพราะมันเป็นสองสั่นแล้วเอาพระพุทธรลัไปเทิ่งในือด้านเนือแดนวัดเนี่ยห้องเนี้ยโอ้ยห้องในแดนวัดอะเนี่ยสองสันสามั่นของคนนักอะองค์ยังไงไม่จะองค์ยังไงเทิ่นด้วยเนี่องค์เนี่ยอยก็ไม่สลับกันนี่ย้อไหวก็ที่เอาหัวแขวนไหวก็ที่ทรงจะไปเอาหัวแขวนก็มาใช้ก็ไดเราก็ใช้กรเอามาไว้นี่ยทุกวันก็จะเป็นแบบไหนแบบนึงเวล่าเขินไปปัดทังเทิ่ง มันเป็นสองสันได้บอาออกมาคนทั้งหลายเขามาเขาวาพระพุทธรูกอยู่ข้างล่างไม่มีทาไมไม่เอามาไหวเลยเขาวาพวกควกกรุงเทพเข้าเขาเลยแจ่มดอกเขาไว้เขาสงสัยขำว่าอ่านนี่งว่าฉันมันสัาหลังอะมันเป็นสัลา2สองสันมันไม่ต่ำไม่สูงว่าันเอาไว้เอาไว้เทิ้งคนละว่าฉันมัมีพระพุทธรูกก็ไหวได้อยู่พระเพวไหวก็ได้ว่าฉันเข้ามาดูหัวใจเข้าหน่อยว่าฉันบนเอาไว้เทิ้งมันมีแล้วสมมูิไปแล้วเอาไว้บ่นยาวเลย เห็นหลวงปู่คพำผนเฮตจ่อนวัดศีราวิเวศเนะี่ยว้าว่าฉันผมเอาพระโพธรุปมาไว้ทั้ง่างเ่ยผมคือเป็นหูกคัดคัดอยู่ันโอ้ยขอหน่อยกับพมักน้ำพระแม่คุญจานร์วะเนี่าเขาจะเอาขึ้นไปไหวทึ่งใชดอกเขาบอเอาไหวรางดอกว่าสันหลวงปู่ค้ำเนี่ยวัดศีราวิเวศเนี่ยเออว่าเป็นรงไปอ่ะเนี่ยเขาไปีคัดคอยู่ันก็เลย ส่วนหลวงปู่มันนี่ยว่าเรีว่าไรลหลวงป่มันแต่แบบนางขวองพระพุทธลูกคนกับานา ง, งหลวงปู่มันฮะฮะยนีไยคนกรุงเทพก็ไมีบอกเอ่อคนกรุงเทพก็มีมาที่นี่เออเราก็นึกนึกว่าเป็นคนภาคอีสานหมดห ถ้าพูดภาษากรุงเทพคนภาคอีสานก็ฟังออกถ้าพูดภาษาภาคอีสานคนกรุงเทพฟังไม่ออกแต่ว่าคนภาคอีสานมันอยู่ทางกรุงเทพนะมันก็มีมากเกือบครึ่งกันแล้วแต่ว่าเวลาเข้าไปในกรุงเทพเขาออกมาทางถนนเขาไม่พูดกันซะภาษาภาคอีสานเขาก็พูดภาษากรุงเทพแต่เมื่อหมูเขาอยู่กับเขาเป็นหมู่กันอยู่ในบ้านเขาน่ะในพักในพวกเขาเขาพูดภาษาภาคอีสานอ่า เราเกิดมาเพราะพระพุทธศาสนาอยู่ที่ดวงใจของเราเราไม่พบในที่อื่นเราพบที่ดวงใจของเราเพราะดวงใจของเราเชื่อเชื่อในพระพุทธพระธรรมเชื่อในพระสงฆ์เชื่อในศีลสมาธิปัญญาของพระองค์ที่ทรงพระมหากรุณาบัญญัติไว้เชื่อใดในโลกนี้ไม่เท่าเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เรื่มใสใดๆในโลกนี้ด้านล้านขณะขีจก็ไม่เท่าเรื่มใสในพระพุทธธรรมพระสงฆ์กราบไหว้ใดๆในไต่โลกธาตุั้งนั้นล้านก็ไม่เท่ากราบไหว้พระพุทธธรรมพระสงฆ์ขณะขิดเดียวบุคคลผู้ตาสูงใจสูงบารมีสูงจําเป็นก็ต้องยินดีในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ผู้ยินดีในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็คือผู้สร้างบารมี อยู่เพืมีกาวันกลางคืนผู้ไม่ย็นดีในพระพุทธธรรมพระสงค์ก็คือผู้ผู้ห่างจากบาลมีอยู่เพืมีกาวันกลางคืนพราะอารมณ์ของผู้ถือว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์ที่เป็นไปในส่วนบุญเป็นข้างมากผู้ที่ไม่ถือว่าพุทธพระธรรมพระสงฆ์อารมณ์ของเขาก็ไปทั่วพิภพทุกหนทุกแห่งเอาเป็นกฎเกณฑ์ไม่ได้เป็นไม้ลอยน้ําเป็นว่าวเชือกขาด ไม่มีเที่ยพึ่งของไก่ก็ไม่มีเที่พึ่งของตนอยู่ในตัวเอาต้นไม้โูเขาหรืออันอื่นเป็นเที่พึ่งไม่ปลอดภัยเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเที่ยพึ่งโยจะพุทธันจะทำมันจะสร้างคัญจะสรณะนางคาโตเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเที่ยพึ่งผู้ชายว่าคาโตเป็นภาษามคตผู้หญิงก็ว่าขาตา ใ น, นลึกได้ไมน่อลึกได้พอดีข อ, ขอกราบเท้าทูลถวายสกุลละกายวาจาใจเป็น ช, าาชาาพพฆาสพพธาตุพระธรรมสงค์อยู่ทุกเมือ่อไม่มีประมาณเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏจัรสงสารโดยด่วนอยู่ทุกเมือ่อไม่มีประมาณนั้นเถิดใ น, นลึกได้ไมื่อลึกได้พอดีขอทูลสกุลละกายสกุลละวาจาสกุลละใจเป็นขฆาเป็นทาตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมือ่อ ขอให้พระพุทธธรรมประสงค์เชี่ยรถเยี่ยวรถถมน้ำลายกายนโมใส่ในสกุลละกายสกคนละวาจาสกคนละใจคนข้าพเจ้าอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเพื่อพ้นทุกในวัฏฏะสงสารโดย่วนตามเสติกำลังของตนอยู่ทุกเมื่อเทินแล้เลึกได้ไม่เลืกได้ก็ดีจะทวนถวายสกุลละกายสกุลละวาจาสกุลละใ จ, ะใจเป็นมนุษย์สมบัติ เป็นมหาสัพพมนุสสมบัติสัพพสพันธ์สมบัติสัพพพรมสมบัติสัพพนิพานสมบัติทูลถวายบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระธรรมท้าทางหลายพระนิยสง์ทางหลายอยู่ทุกเมื่อไม่มีพมานตัดเท่าข้าสูนย์นิพานค้นจากทุกนิวัตตาสงสารโดยด่วนตามความประสงค์ของตนอยู่ทุกเมื่อเถิดเราอธิษฐานอย่างนั้นเวลาเราลืมละลึกก็แปลว่าเราละลึกอยู่ เมื่อพระอธิษฐานไว้อย่างนั well ้นแล้วต้องสัตเจ้ไว้อย่างนั้นแล้วอธิษฐานอภาระมีสัมปันโนไว้อย่างนั้นแล้วอธิษฐานอุปปารามีสัมปันโนอธิษฐานปรมัฏฐะปารมีสัมปันโนไว้อย่างนั้นแล้วสัจจะปารมีสัมปันโนสัจจะอุปปารามีสัมปันโนสัจจะปารมัตฐะปารมีสัมปันโนเราตั้งไว้ที่นั่นแล้วการถึงพระพระธรรมพระสงฆ์เราไม่ถึงแต่เพียงทุติตติเท่านั้นเราถึงอยู่ทุกเมื่อและลึกได้เมื่อได้กอดีนี่นี่ ถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ไม่ทันกับเกียลสของเราเพราะบางทีเราก็ลืมไปเสียงแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันเอ็นไปโอนไปในพระพุทธธรรมประสงค์แล้ววันก็ต่อถึงพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมื่อมีชายคนหนึ่งกราบทูลพระพรมศาสดาว่าในเวลาเข้าไปเข้าไปในเมืองสักเกตเมืองกำปา เมืองอะไรต่ออะไรระวังรถมา้ารถรัวเขาอ oh. จะมาในทิศทั้งสี่ก็ลืมซะลืมภาวานาพุทโธธรรมโอสังคโฆัยซะอพระระวังรถเขาระวังเขาจะมาเหยียบรถมา้ารถรัวรัวนั่นตัวเล็กกว่ามา้าไม่ใช่วัวไม่ใช่งวัวรถรัวต่างหา่าโบราณเรียกว่ารัวตัวเล็กกว่ามา้ามาในทิศทั้งสี่เทียมมา วิ่งมาต้องระมัดระวังถ้าไม่ระวัดระวังเขากเยเบจริงจริงนี่ลืมพุโทโธไปซะเวลาตายในขณะนั้นกับผมจะไปเกิดในที่ใดเล่าพระบรมศาสดาทรงพระมหากรณากล่าว่าอย่าเลยอย่าเลยต้นไม้ที่มันเอ็นไปทางทิศตะวันออกพอแล้วใครจะมาโค่นมัน มันก็ต้องร่วมไปทางเศตวันออกนั่นเองชั้นใดก็ดีเมื่อคิดผูกพันถึงพระพุทธธรรมประสงค์ฝังแน่นแล้วจะทิ้นลมปรในเวลยาขณะไหนมันก็ต้องไปสุขติสิพระบรมศาสดาเมื่อการถึงพระพุทธธรรมประสงค์กิจมันโอนลงไปแล้วมันฝังลึกแล้วแผ่นดินน้าสองแสนสี่หมืนโนดเขาอารุกระเบิดปรมานุทําลายแต่การถึงพระพุทธธรรมประสงค์อย่างไม่มีประมาณใครทําลายก็ไม่แตก เมื่อเป็นดังนี้ก็เรยวกว่าถึงว่าพุทธภาษาระสงค์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณได้ทได้เมื่อได้ก็ดีมันมีหลักตัวอย่างนันพระพุทธศาสนาสอนเบื้องต้นสอนในคนประพฤติตามมนุษย์สมบัติสอนเบื้องกลางสอนให้ยินดีในสวรรค์สมบัติพรมสมบัติสอนในเบื้องท้ายสอนให้ยินดีในพระนิพพานสมบัติโดยด่วน อาไปรอชาติเออเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังเธอทั้งหลายถ้ายังไม่มีสินห้าบริบูรณ์แล้วเธอทั้งหลายจะเสียใจในภายหลังเนอถ้าเป็นฆร า, าวาสถ้าเป็นพระถ้าไม่มีสินสองรอยยี่สิบเจ็ดบริบูรณ์ก็จะเสียใจในภายหลังถ้าเป็นสามเณรถ้าไม่มีสินสิบบริบูรณ์ก็จะเสียใจในภายหลังถ้าเป็นพระขาวดาวดบถ้าไม่มีสินแปดบริบูรณ์ ก็จะเสียใจในภายหลังวสินเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาตัดศินลงในพุทธโทธธรรมโมสังโฆตั้งมั่นลงในพุทธโทธธรรมโอสังโฆรอบรูดลงในพุทธโทธธรรมโอสังโฆอยู่ที่ดวงใจตกลงศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็าดีก็รวมพลกันอยู่ที่ดวงใจของแต่ละท่านละบุคคลในปัจจวัณณกิจปัจจวัณณธรรมนั่นและ อย่าไปหาที่อื่นถ้าไปหาที่อื่นก็ยิ่งตื่นไม่พบจะสิ้นความสงสัยตอนไหนๆก็คือจิตปัจจุบันทำมรรคปัจจุบันนั่นเองไม่ใช่จิตอดีตไม่ใช่จิตอนาคตจะถึงพระโสะดาบันก็จิตปัจจุบันจะถึงพระตะกัาคามีก็จิตปัจจุบัน จะถึงพระอนาคามีก็จิตปัจจุบันจะถึงพระรหัปก็จิตปัจจุบันไม่ใช่จิตอดีตไม่ใช่จิตอนาคตไม่ใช่ทำอดีตไม่ใช่ทำอนาคตนะผู้สึงพระโสดาบันมีข้อวัดอย่างไรบ้ามีเส้นห้าบริบูรณ์ไม่เสียดายอยากล่วงแล้วเมืิดเส้นห้าไม่เสียดายอยากกระถือศาสดาอื่น ไม่เสียดายอยากเล่นอบายามุกทุกประเภทไม่เสียดายอยากกะสาบแช่งท่านผู้ใดให้เขาถึงความเพินาตโกรธให้เขาอยู่แต่ไม่จองเวรแต่ไม่ผูกเวรให้มึงชิบหายตายความซะมึงมาทำผิดกูอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีในพระโสดาบันเออถ้าเคยได้ทำผิดกับเขามาแต่พบก่อนชาติก่อนก็ดีก็ให้แล้วกันไปซะข้าพรเจ้าจะไม่จองเวรใคร นั่นภูมิความปัโสดาวันจะให้ทานรักษาศีลภาวนาก็ปารธนาเพื่อพ้นทุกในวัฏตาสงสารโดยเสนเดียวภูมิมโสดาวันไม่ได้ปารถนาเอาเลขไม่ได้ปารธนาเอาผาไม่ได้ปารถนาเอาบัตรเอาเบเอร์เอาอะไรต่ออะไรในทางโลกที่พระมีกิจอย่างถึงพระนิพพานแล้วยินดีในพระนิพพานยิ่งกว่าเสียงใดๆทั้งปวงเพราะยกพระพุทธ ยกพระธรรมยกพระสงฆ์ขึ้นสู่พระนิพพานแล้วพุทธแท้ธรรมแท้สงฆ์แท้ก็คือพระนิพพานท่านยกขึ้นสู่แล้วจิตใจที่เป็นโลกุตระก็เป็นโลกุตระเพื่อพระนิพพานเพราะมีเจตนาอย่างถึงพระนิพพานทําไมพระโสดาบันจึงเลื่อมใสในพระนิพพานก็เพราะเห็นว่าในวัฏฏสงสารนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปว น, นแตกสลาย ไม่มีอะไรกีรังยั่งยืนเชียเลยไม่เป็นที่พึ่งอันกเกษมจึงยินดีในพระนิพพานพระเห็นชัดใดใดในโลกล้วนอนิจจังได้ๆในโลกล้วนทุกขังได้ๆในโลกล้วนอนัตตาไม่สงสัยเลยนะทั้งอดีตทั้งอนาคตเมื่อท่านสิ้นความสงสัยในโลกทั้งพวงแล้วจิตของท่านก็ยั่งถึงพระนิพพานให้ทานรักษาเสียงภาวนาชั่วครู่ชัว่วขณะท่านก็เหนียวถึงพระนิพพานเพื่อพ้นทุกสิ่งเดียว เพื่อปฏิบัติไม่มีเชื่อไม่มีเชื่อเหลือเพื่อพ้นทุกข์ก็มีความหมายอันเดียวกันเพื่อพ้นจากกิเลสโดยสิ้นเชิงก็มีความหมายอันเดียวกันเพื่อดนับไม่มีเชื่อก็มีความหมายอันเดียวกันเพื่อพ้นจากความหลงของตนโดยประการทั้งปวงก็มีความหมายอันเดียวกันเพื่อข้ามทะเลหลงก็มีความหมายอันเดียวกันเพื่อไม่มาเกิดแก่เก็บตายในวัฏฏะสงสารอีก ก็มีความหมายอันเดียวกันเพื่อห้ามเพื่อข้ามห้องทุกมหันจะทุกก็มีความหมายอันเดียวกันเพื่อข้ามความหลงโดยประการทั้งปวงก็มีความหมายอันเดียวกันเพื่อชนะกิเลสก็มีความหมายอันเดียวกันเพื่อมาให้กิเลสจูงไปเกิดจูงไปแก่จูงไปเก็บจูงไปตายจูงไปโรอจูงไปโกรธจูงไปหลงเพื่อจะต่อสู้กับกิเลสก็เอาปัญญาต่อสู้ เขต่อสู้กันภายนอกก็าอาวุธภายนอกต่อสู้ต่อสู้กับกิเลสเขาเอาสติเอาปัญญาต่อสู้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหวัวหน้าอยู่ที่ดวงกิจดวงใจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นมหันตคนแล้วอภมาณนพุทโธอภมาณูธรรมโธอภมาณนสังโธคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีประมาณเมื่อโลภกรดหลงไม่มีประมาณสักเพียงใดคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่มีประมาณเพียงนั้นเมื่อพระนิพพาน ค, คุณของพระ涅槃านมีประมาณสักเพียงใดคุณของพระพทธพระธระสงค์ก็อันเดียวกันนั่นถ้าเราปฏิบัติเพื่อพนทุกข์ในวัฏสงสารแล้วปัญหามันก็ไม่มากที่มันปัญหามากก็เพราะกิเลสเรามากถ้ากิเลสเราไม่มากปัญหาก็ไม่มากเพราะความหวังของเราในตจโลกธาตุมันมากเมื่อความหวังของเราในตจโลกธาตุมาก กิเลสของเราก็มากเมื่อเราเห็นโทษในวัฏฏะสงสารอย่างเต็มภูมิแล้วฉไ น, นเราจะยินดีในวัฏฏะสงสารเราก็ยินดีในพระ涅槃เสียงเดียวท่า น, นแลน่นั่งส่วนพระสกทาคารีท่านเราบางไปกว่านั้นอีกเบาบางกว่าพระสุวรรส่วนพระอนาคารีนั้นท่านเบาบางไปมากอีกเพราะการมาราคะของท่านขาดไปแล้วท่านไม่มีการมาราคะ โทสะของท่านก็ขาดไปพร้อมกันกับกาม ร, ราะคะนั่นเองแต่โมหะของท่านความหลงยังมีอยู่บ้างนิดเดียวแต่ว่าเป็นความหลงที่ละเอียดมากส่วนพระรหัสท่านพุ่้นไปแล้วท่านไม่มีอะไรอะไรในปัญหาของท่านเลยท่านข้ามไปหมดแล้วความหลงของท่านไม่เท่าไรท่านก็ข้ามไปหมดแล้วไม่ติดอยู่ในปัจจุบันด้วย ไม่ติดอยู่ในอดีตด้วยไม่ติดอยู่ในอนาคตด้วยเห็นสมมติตามเป็นจริงของส ม, มมุติเห็นวมมุติตามเป็นจริงของไม่มมติเห็นอดีตตามเป็นจริงของอดีตเห็นอนาคตตามเป็นจริงของอนาคตรู้บัญญัติตามเป็นจริงของบัญญัติรู้วมมุติตามเป็นจริงของวมมุติแต่ไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองท่านพูดไปแล้วท่านอาศัยปัจจุบันแต่ท่านไม่ติดอยู่ในปัจจุบันท่านอาศัยกิต แต่ถ้าไม่จิตติดอยู่ในจิตเพราะท่านไว้ยึดถือว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตถ้าไม่ยึด ถ, ถ, ถือว่าทำเป็นตนตนเป็นธรรมถ้าถือว่าธรรมเป็นตนตนเป็นธรรมการควากลามเขารบธรรมมันก็ไม่มีถือว่าพระธรรมเหนือตนไปจึงได้เขารบธรรมสัทธโมฆะลกาตโบเมื่อตนไม่มีธรรมก็มีอยู่เมื่อพระพุทธเจ้าไม่ม า, มาตัสรูุ้พระธรรมก็มีอยู่พระพุทธเจ้าองค์ไหนๆมาตัสรุก็เป็นธรรมอันเดียวกัน ไม่ใช่ทําคนละอันการท่องเที่ยวในวัดตาสงสารไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเนอมีแก่มีเก็บมีตายมีทุกข์กลัวหาประมาณไม่ได้แต่พวกเราคุ้นเชื่อแล้วก็เลยถือว่าเป็นของธรรมดาแต่วันก็เป็นธรรมดาทุกเราดีๆนี่เองนั ท่านเพื่อจะเพิ้นไปจากวัฏสงสารท่านมองหาสุขในวัฏสงสารไม่มีเลยสุขในมนุษย์โลกก็สุขเกิดแต่อํานาจอเนจังสุขในสวรรค์ก็สุขคือแต่อำนาจใต้อานาจอเนจังสุขในพรหมโลกก็สุขคือดแต่อานาจอเนจังเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนและแตกสลายถึงจะอายุยืนสักเพียงใดก็ตามในเทวโลกและพรหมโลกแม้ก็ไม่พ้นมาแก่มาเก็บมาตายอีก มาเป็นทุกข์เองเหตุะนั้นท่านจึงไม่ยินดีในโลกทั้งปูมิคิดใจจึงน้อมไปเอง็งไปโอนไปในพระเนพานคือดับเพลิงในวัดตาสองสารยินดีในวัดตาสองสาลก็คืนยีคือยินดีในหลุมฐานเพลิงนั่นเองความเกิดแก่เก็บตายโรคโกรธหลงไม่ใช่เป็นเงื่อนไหม่ เ, เงืเ่อนเก่าของพวกเราทั้งหลายที่เคยท่องเที่ยวมาแล้วนั้นเ อ, อวัดภูชจ้าก็เนี่ยก็เหมือนกันไม่ใช่พวกเราไม่ได้เคยมาพวกเราเคยมาแล้วไม่ชาติหนึ่งก็ชาติหนึ่งละชาติมนุษย์ก็อัโขชาติจิตตสารก็อัโขท่านเป็นเทวดาเทวราอยู่ตามต้นไม้ก็อักโขเช่ีแ้แล้วในแต่ลกธาตุที่ไหนพวกเราไม่ได้ไปไม่มีเลยพวกเรายังเหลืออยู่แต่พระเนธพานเท่านั้นวัดเวียงไปมาอยู่นี่ บางคราวเป็นคนทุกข์บางคาวเป็นคนจนบางคาวเป็นคนรวยบางคราวเป็นคนอายุยืนบางคาวเป็นคนตระกูลต่ำบางคาวเป็นคนตระกูลสูงปุ่นเวียนอยู่ในวัตาักรสงสารเนี่มานมานานแล้วเมธีนั่นจริงยินดีในพระนิพพานอย่างเดียวนั่นผู้เข้าสู่พระนิพพานไปแล้วมากกว่าเมธนเนสายในท้องมาหาสมุทรสี่มาหาสมุทรหรือร้อยโกรมาหาสมุทรแต่ผู้ที่ยังเหลืออยู่ก็ยังอคโข อ, อีกน เหฉะนั้นจึงมีพระพุทธเจ้ามาในโลกเป็นยุกยุคยุคยุยุคยุคเพื่อจะขนลือสัตว์ออกจากวัฏฏะท้องสารไม่ให้จะขนได้น้อยเพียงเขาโค qua ตามส่วนขนโคไม่ได้กว่าตามแต่ก็พากันขนอยู่อย่างนั้นเป็นยุกยๆคยแต่นี่ไปในพระพุทธศาสนาจะมีพระพุทธเจ้ามาอี ก, กอีกพระองค์ว่าอีกกี่พระองค์ก็นับไม่ไหวอีกเหมือนกันแต่ล่วงไปแล้วก็นับไม่ไหวเองเหมือนกัน แต่กับแต่กันก็ยังนับไม่ไหวเสียแล้วทําไมถึงจะไปนับพระพุทธเจ้าได้เมื่อนับพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็นับสาวกสาวิกาขององค์ท่านไม่ได้อีกเหมือนกันนกหนูปูเปีกที่ท่องเที่ยวมาในวัดเจ้าท่องสารนี่ก็จะได้มารวมคิวกันที่พระพุทธศาสนาหมดจึงจะข้ามพ้นห่วงทะเลทุกไปได้นับเมื่อสัตว์ยังมีอยู่ตากได้สัตว์บกสัตว์น้ํา สัตว์ไหวในน้ำดำในดินบินในอากาศมีอยู่เพียงใดก็ดีพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่เพียงนั้นจะได้มาลื้อสัตว์ทั้งหลายเป็นยุกยุกยุกยุกยุกยุกมีศาสนาเดียวเท่านี้เป็นศาสนาที่ดีเด่นกว่าโลกที่ดึงอันเดียวกว่าโลกพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ไม่ได้มาคัดค้านกันถึงจะมาเป็นยุกยุกก็ดีก็หลงเอยกันหมดเพราะมันบริบูรณ์แล้ว เป็นธรรมมาธิปตไตยไม่ใช่อัตตาธิปไตยเข้าข้างตนข้างตัวเข้าทั้งทรัพย์ข้างศีลเข้าทั้งอำนาจวาสนาไม่ใช่เป็นประชาชนไตยเพราะประชาชนลากไปในทางผิดมันก็ผิดประชาชนลากไปในทางถูกมันก็ถูกเป็นธรรมมาธิปตไตยคําสอนพระพุทธศาสนาเท่านั้นชาวโลกปกครองกัน ไม่เอาคำสอนพระพุทธศาสนาะเป็นแว่นดวงใจดวงธรรมไม่เอาเป็นมาตราตัวงมาตราวัดระยะก็มัดจะไปไม่รอดถ้าหากว่าเอาพระพุทธศาสนาะเป็นดิ่งเป็นระรับน้ำเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงแล้วก็ปฏิบัติไปตามนั่นวางบทกฎหมายไปตามนั่น เทียมกันไปอย่างนั้นก็พอประทางมาทางถ้าให้แล้วก็ไปไม่รอดศรัทธาเทวมนุษย์ชาแังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่ทุกยุคทุกสมัยถ้าจะไม่ให้พระพุทธศาสนาเทศการบ้านการเมืองการเทวมนุษย์สมหติการสวรรค์สมหติการพรหมสมัติการนิพพานสมัติแล้วเราจะให้ผีตัวไหน มาเทศก็คำสอนพพุทธศาสนาเท่านั้นเป็นผูน้เทศเราเกิดมาพระพระพุทธศาสนาก็จงยินดีในวาสนาของเราจงพยายามเอาตนรอดเหมือนเกี่ยงคกขึ้นภูเขาเกี่ยงคกขึ้นภูเขาถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ผลทางกายเป็นเข็มก็ถือวเป็นเรื่องเล็กน้อยจึงจะปฏิบัติพระพุทธศาสนาได้ถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็ถูกเขาโจมตีแล้วก็ปลิวไปตามลมละนั่นเป็นไม้สักคโครนเป็นไม้สักที่ควายไม่แน่นไม่นาเหตุเช่นนจึงไม่ยินดีในศาสนาพุทธก็เพราะเหตุว่า กล่าวตูพระพุทธศาสนาว่าไม่ดีเท่ารัฐที่อื่นๆถ้าเห็นว่าพระพุทธศาสนาดีเลิศประเสริฐสีกว่ารัฐที่อื่นๆแล้วความสงสัยในพระพุทธศาสนามันจะมาจากในประตูใดมันก็ไม่มานั่นที่มันมาแซงประตูของเราอยู่ที่ดวงกิดดวงใจก็คือกิเลสของเราเกรงว่าเราจะหนีจากมันมันก็บอกว่าเอออย่างนั้นยินดียินดีอย่างนั้นยิน ด, นดีอย่าง น, น, น, างนี้มันก็บอกเรามากระชิบที่หูเรานนั เดี๋ยเราก็ไปเราเป็นนกเป็นปลาก็เป็นนกเป็นปลาที่ฉลาดอย่าไปติดเว็ดติดแล้วที่นายพรานเขา ป, ป่วยก็ได้ถ้าพรพุทธศาสนาจ้างให้มนุษย์มายันดีเลื่อมใสนับถือด้วยสินจ้างรางวัลแล้วมันก็เป็นศาสนาจ้างไปซะถ้าหมดรับเสียงภายนอกแล้วมันก็ขอบอดคืน เราพุทธศาสนาจึงปล่อยให้มีความเลื ete, ่อมใสเองเห็นเองให้เป็นอิสระของตนเองเรามีอิสระที่จะพิจารณาเองเรามีอิสระที่จะเลื่อมใสเองเรามีอิสระที่จะไม่เลื่อมใสเองปล่อยให้มีอิสระจึงแน่นาถ้าเอาเครื่องร่อเครื่องจ้างมาแล้วเมื่อบดเครื่องร่อเครื่อง้างมันก็บดกลับบดคืนเท่านั้น ฉะนั้นจึงว่าสันทิฏฐิโกผู้บรรลุในพระสวสดาบรลก็เห็นเองผู้บรรลุในสักทาคาเมียก็เห็นเองผู้บรรลุในอนาคาเมียก็เห็นเองผู้บรรลุในพระรหันต์ก็เห็นเองอาการที้โกเมื่อท่านบรรลุแล้วท่านก็เห็นอยู่ทุกการทุกเวลาไม่มีการในเวลาเป็นทางโลกตลุตระส่วนทางโลกีก็เหมือนกันทางโลกนัทถิโลกีละหัวนามะ ความลับไม่มีในโลกพูกเขาไม่เลื่อมใสในพระพุทธศ า, าสนาเขาก็รู้ตัวเขาอยู่นั่นมันไม่มีที่ลับที่ไหน อ, อืมพูกเขาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเขาก็รู้ตัวเขาอยู่นั่นมันก็ไม่มีที่ลับที่ไหนนั่นพุทโธอยู่ที่ดวงใจธรมโมทรงที่ไหว้ที่ดวงใจสังโฆแ พ, พรว่าปฏิบัติที่ดวงใจพุทโธแพวะลว่าระบาบบปบําเพ็ญบุญที่ดวงใจ ธรรมโมแปลว่าทรงไว้ซึ่งละบาปบําเป็นบุญที่ดวงใจสังโคแปลว่าปฏิบัติที่ดวงใจตกลงพุทโธธรรมโมสังโคศีโลสมาธิปัญญาก็รวมกันที่แห่งเดียวที่ดวงใจพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายก็มารวมอยู่ที่ดวงใจของเรานี่ยเองพระผู้เป็นเจ้าของพวกเธอนั่นเองจะทําความดีขึ้นคือดวงใจของพวกเธอนั่นเองจะทําให้มีทานมีศีลมีภาวนาน จะทําให้ดีเด่นเพพระผู้เป็นเจ้าของพวกเธอทั้งหลายนั่นเองเธอทั้งหลายพระผู้เป็นเจ้าก็คือสติปัญญาของพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ในดวงจิตดวงใจนั่นเองครับวโรมาศาสนาสอนอย่างนั้นเราเพียงเพียงบอกเธอทั้งหลายเมื่อเธอเที่วอาหารพรวกเธอก็จงดื่มเองกินเองหิ้วน้ำก็ดื่มเองนิ้ก็อาหารก็ดื่มเองหิ้วนอนก็นอนเองเราจะท้าคต จะทำแทนพวกท่านไม่ได้พระบรมศาสนาที่นี่ตอนนี้ไปก็เหนื่อยแล้วบรรดาพี่น้องชาวพุทธทุก่้นหน้าที่มาในที่นี้ด้วยเดชคนมารพุพรทธธรรมพระสงฆ์ทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญในบวรและพุทธศาสนายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกเมื่อไม่มีะมาณนั่นเถิดเอาละทีนี้ ให้านจับสองให้ผ่านจับสองใหผาจัใหผน อะตุรอตัมเะอะฮาเนะอมาเนนะอะมาตเจนะจังอะมาสัมาะมาตุตุลาเจนะอะฮาเระอะาเนนอะมาติเจนะจังอะมาสัมมาอนมาตุตุ มหาเถระชั้นที่หนึ่งคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชั้นที่สองคือพระปุทเจกชั้นที่สามคือพระลันตาชีนาสุขชั้นที่สี่คือพระอนาคามีชั้นที่ห้าคือพระสกทาคามีชั้นที่หคือพระโสดาบันชั้นที่เจ็ดคือพระมหาเถระทั้งหลายที่มีพรรษาสูงแต่เป็นโลกีเบื้องว่าพวกเราทั้งหลายได้ทําเผ็ิดพระมหาเถระ ทั้งหลายทุกท่านหน้าที่ดังกล่าวมานี่แล้วด้วยกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งมาแต่ภพ ก, ก่อนก็ดีหรือในปัจจุบันนี้ก็ดีหรือจะเป็นไปในข้างหน้าก็ดีด้วยเดชพระมหาเทระจงทรงพระมหาเมตตา ก, กรุณาวดโทษให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณขอให้พวกเราทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญ ในบบและพุทธศาสนาของพระสมัยพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกขเมื่อไม่มีประมาณนั่นเถิดในระหว่างพวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่มาในมาในที่นี้ก็ดีหรือทั่วทั้งไตโรโลกาต่างฝ่ายต่างทําผิดกันด้วยกายกรรมสามวจีกรรมสีมโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งก็ดีพวกเราทั้งหลายทั่วทั้งไตโรโลกาต่างฝ่าย ตาก็ให้อโหสิกรรมแก่กันและกันอยู่ทุกว่นไม่มีประมาณสุดท้ายพวกเราทั้งหลายทุกทันหน้าด้วยเดชคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันทรงพระคุณข้าหาประมาณไม่ได้จงบรรดอนดาอยากได้มีเวรในภยัยแก่กันและกันทุกทันหน้าทั่วทั้งไตรโรกาต้งประสบแต่ความสุขความเจริญในบวรพระพุทธศาสนาของวิชฌิมาของพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงเที่สุดทุกโดยชอบ ทกต้นหน้าทุกทางตรโลกาอยู่ทุกมื่อเทินอะหังตุ้มเฮฮิพิเมสามิตาบังเอวังตเอวังพตโยจะปุเมฆัมชิตตัวปัจาโฉนมัชตีโซมังโลคังมุภาเพุโตจันติมายะชาปะปังกตะตังกัมมังกุสเระิยติโซมังวกังมภาเียพุโตจันติมา อภิวาทะนสีนิสานิจังวัฏพยาโนจัตตารทธรรมาวัฏทันติอายวันโนสุขังตะอมีเวนไมีไพาการทำวัดให้อโหสิกรรมแก่กันและกันทั่วทั้งไตรโลกาเป็นเสียงที่ไม่มีเวนเสียงที่ไม่มีไพ เสียงในพระพุทธศาสานาเอนางพิมพาไปทำวัดพระบรมศาสด า, าต่างก็เป็นพระร ห, หนันต์แล้วนางพิมพาไปทำวัดพระบรมศาสด า, าซึ่งเป็นสามีขององค์ท่านแต่พวกคนก่อนมา ก, ก็ดีพัจจุบันก็ดีเป็นไปในชาตินนอากดด็ดีได้ทําผิดด้วยกายวาใจาใจอันใดอันหนึ่งในข้างเป็นชาติพระเวสสันดรก็ดี ข้างไหนๆก็ดีชาติเป็นแม่แพะไปกวนน้ํากินก่อนผัวแล้วก็ขออย่าให้บาปให้กรรมเน้อเบื้องพระรหันแล้วจะบาปกรรมทําไม่าต่าคนต่งตางๆเป็นพระรหันแล้วแต่ก็เป็นธรรมเนียมเฉยๆทาเพื่อเพื่อทอดสะพานให้อนุชนรุ่นหลังก็เป็นธรรมเนียมของพระสมัยของพระเจ้าทั้งหลายบุคคลผู้ใดเขาขอ ข, อขอมาโทษแล้วไม่ให้โทษเขา ไม่ยอมอนุญาตให้เขาบุคคลผู้นั้นหมกเวนไว้ในโลกของปรมาาสดาเพื่อในเขาโดยองของเขามันสู่เส้นหาไว้หลัวเส้นหามันเป็นแม่มันเป็นแม่สเสน่หแล้วเป็นแม่สเสน่หของธรรมะช่งหลายล่ะไม่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ไม่มาพฤกษิตในกลาไม่พูดเท็จไม่ดื่มสุรามันเป็นมหาสเสน่ห์เป็นมหาทรัพย์ใจแล้ว มันก็ดึงซับภายในมากซับภายในมันไม่มีอำนาจดึงดูดซับภายนอกมากในตัวว่าถ้ามากค่าขึ้นพระบ่านในหาวจะไปตัวดอกว่าจะร่วงส้นตัวดอ ก, ดดอกปุงไปกองมาหัหลังนันเป็นเสนีอยากมีเสนีก็จงให้มีทานมีศีลมีภาวนามีพุทธมีธรรมมีสงฆ์เห็ว่าเสน่มหาเสน่มหานิ่ยก็ประกอบด้ระธรรมประสงค์แล้ว จะท่านศีลภาวนาขเขาเข่าหามหานิยมใสวางส่นพุทธเนยมธรรมานยมเนยมอัน น, น, น, นั้นคัทเนยมกระไรนีพุะธรรมประสงค์หัวใจเข้านั่นแหะคถานิยมน่าจะไปหาคหาคัท า, านินยมไสอีกมหาเสน่หสอีกแล้วพุทธธรรมประสงค์เป็นมหาเสน่ห์เพร็แห้งแล้วเป็นมหาบุญเพราแห้งแล้วฝังไวไ้ในดวงใจเขา้าหัน ไอ้นี so ่กับมันพดัพระประสงค์ันเขาเห็นแก่น่ะสาธเขากรเห็บูษาะพทธธรรมประสงค์มได้บุษาเสีเท่าด่นน่เากับมันน้องบูษาเสียเลเ่าตะเกือนี่ย้โมนี่มนมนี้ก็แม่ท้องเพิ่นัสมนี่โมนี่นีเาพูดสงค์ัมองตัวเกือกพ่อมนีกัแม่เนี่ยเขากินยู่นกัแม่นกินน่นกัแม่นอบงสันแน่โลกทาตนเขาหนอมนทองเพิ่นบัสเอาหลด ที่เพิ่นเอาเอาไปยาเพิ่นันเป็นเรื่องของเพิ่นที่ว่างแล้วคือนํายเพิ่นวนทีมแล้วเอกจาว่าของเพิ่นยังไหนเพิ่นก็เอาแั่ว่านํา้ายเพิ่นพิ่นนี่ทาเก่าันนั่นคือกันใน้จโลกาาเขเรียกว่านำร้ายพูดพระธรรมประสงค์วันพูเพิ่นไปแล้วหมายผูเพิ่นไปแล้วพูว่าท่านเพิ่นกับม่ยากันยูุ่ดแล้วเขาสุดว่าที่เพิ่ทังอิญไม่มีดอกอกจากพรพินธมประสงค์ไป เราพูดว่าถ้าผส์กระส ong ร่อ ง, ง, งให้เพิ่มหัวใจเข้าหันหัวใจเขาน้อมเพลิงได้หัวใจนี่เขาพูด ว, ออว่าถ้าผสมเป็นหัวใจที่มีอบอุ่นตัวเป็นหัวใจที่มีที่มีผู้บ่าอาการสร้างสอนตัวอมันเป็นไม่รอยน้ามัเป็นวาวเสียขาดมัเป็นนุ่นไม่เป็นนุ่นไม่เปรเียวไปตามลม เป็นพุธทธธรรมสงฆ์ที่มั่นคงอยู่ที่ดวงใจพุโทโธก็รู้ที่ดวงใจละบาบปบําเพ็ญบุญธรมโมก็ทรงไว้ที่ดวงใจละบาบปบาเพ็ญบุญสังโฆก็ปฏิบัติเพื่อละบาบปบําเพ็ญบุญตกลงพุโทโธธรรมโมสังโฆก็อยู่ที่แห่งเดียวกันคือที่ใจใจมีอิสระที่จะละชั่วทําดีได้ใจมีอิสระจะถึงในการละชั่วทําดีได้ ใจมีอิสระจะถึงพระพุทธประธรรมประสงค์ได้ไม่ต้องให้ใครมาบังคับถ้าเห็น <Quiz> ว่าเป็นของดีแล้วก็เอาเลยไม่ได้ซื้อไม่ได้ขอกับใครเลยเอาในเวลาไหนก็ได้มีพยานหรือไม่มีพยานก็เอาตนเป็นพยานจนเลื่อมสายในพุทธปรธรรมประสงค์หรือไม่ก็ต้องเอาตนเป็นพยานจนไม่เรื่อมสายในพุทธประธรรมประสงค์ก็เอาตนเป็นพยานไม่ต้องเอาคนอื่นมาเป็นพยาน ต้องดูยักเกตนาของตนนอกจากใจไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งของใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะทำลายใจใจท่านั้นทาลายใจใจท่านั้นเป็นที่พึ่งของใจคือพุทธสำสุงใจเบียดเบียนตนเขาบอกว่าหลวงปูง่หลวงปู่ไล่ผีให้บ้าเออไล่ผีก็ต้องไล่ออกจากดวงใจนั่นเองใจไม่ถือผีผีก็มาอยู่ ไม่มีแก่ผู้ม่ถือบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทาหัวมีอไม่มีแก่ผู้ยอมเป็นโสวดนึกเขมามาเดียวกันกาบพระเวลาจะนอนจะนอนตุ้มๆ ต, ตามๆเหมือนโคเหมือนกระบือลุกขึ้นก็ากาบพระเช้าก่อนสามหนพุทโทธรรมโอสังโฆพอแล้วนิพพานาะเวลาจะนอนพุทโทธรโมโอสังโฆนิพพานาะก็พอแล้วก็นอนภาวนาหลับท่าภาวนาเลย กำหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมกับหลับเลยพระไตรพยิตร ก, ก็ย่นลงมาหาใจยอดพระกัณไตรพิตร ก, ก็ย่นลงมาหาดวงใจพระโทสมโสรังโก้ย่นลงมาที่นั่นนี่เป็นข้อประกวากรีเป็นข้อประกวาก็ย่นลงมาหาดวงใจเทวดาเข้าไปจากมนุษย์พรหมก็ไปจากมนุษย์ พลัหันก็ไปจากมนุษย์มนุษย์ซาเปโตคือกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตเป็นผีมนุษะเทโวกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดามนุษย์ซาพมโลโกใจกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นพมคือมีเมตตากรุณา มนุษย์าาอนันโตคือใจไม่มีกิเลสกายกายเป็นมนุษย์แต่ใจไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสใดๆทั้งสิ้นทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งผูรูเวลาจะตายมาท่านภูมีใจสูงเวลาจะตายท่านก็พิจารณาค้อมก็ลมให้ใจเขาออกของข่านเป็นใจสักก็รู้เป็นใจสักก็เห็นใจไม่ใช่เลาเราไม่ใช่ใจผรู้ไม่ใช่เราเราไม่ใช่ผูรู้ท่านก็ทำกํำจิตให้ว่า ความใจของท่านให้ว่างจากทัพจากบุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาเป็นตระศักดิามใจเป็นตระศักดิ์ามรู้เป็นตระศักดิ์ความทีนี้วิญญาณของท่านเข า, าไปเหนี่ยวร่างอยู่ที่ไหนท่าก็เข้าสู่ก้อนควานจะนั้นเวลทาท่านจะตายท่านก็ไปแบบนั้นท่านผู้มีคิดสูงเขาไปแบบนั้นกําหนดลมให้ใจเข้าออกแล้วไงลมก็ไม่เอาใจก็ไม่เอาพราะู้ก็ไม่เอาวางต่างต่างอันต่างวางกันเป็นของว่างใจก็เป็นของว่างเพราะมันมีผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของ รวมให้ใจเข้าออกก็เป็นของว่างเพราะมันมีผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของทำทั้งพวงก็เป็นของว่างเพราะมันมีผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของทั้งปัจจุบันทั้งอดีตทั้งอนาคตด้วยที่นี่วิญญาณเมื่อกี้สั่นทีวของท่าน้ามาไปค้องอยู่ในที่ใดท่านก็อสู่พระนครไปซักผู้ใจสูงท่านจะตายท่าน้องพิจารณาอย่างนั้นอยากกิยะวะขาปุราภิริภรินทิสาลาเอ๋อมีมีตัที่นางเฟตากกกะัปิ ปีเจต่างปีเจ็ดต่างตมาเดือวันที่หเเจ็สิบเแปเท้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่ิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสบแปเก้เอนดสิบงสิบสาสี่สิบห้าิกสิบเจ็ดิบแปดสิเกสิสิบเอดิบสองสิบามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบจ็ดสดสิบเก้าสิบบเอ็ดสาี่สนาสิบหกสิบเจ็ดสิบประเทศไทยเอ่ดอ ปองหัวขาปองหลานางไอ้ปองหัวขายร่งทั้งใจหใจทั้งมาพูดกรทำผสมปองคุดท้อทั้งม้ท้งโก้อายใจทั้งใจ่งพูดกระทำผสปงหัวใจหายใจฉั้งโม้พูกระทำผสหลวปูก็บม่โรกหลายเนี่ยคือกัอาศัยเก็ยใจทั้งว่าพูดกระทำผสมอาย่นําทําไปเสี้เสมอเนี่ยอายุนําโมาพูดกระทำผสมอายุน้ำกระทำผสหน้าที่ของหลวงูไม่หน้าที่สตายแปลเชื่อหรอไม่มีหน้าที่แนวอื่นเลยอม่มีหน้าที่จะไปออกลิงออกไล่แนวอื่นเลย มีหน้าที่เกี่ยมตัวตายขนาดหลวงปู่เสมอมือเนหน้าที่จะไปเห็นเนี่ยอื่นว่ามันหน้าที่จะไปว่าเผนดเนี่ยอื่นย่างนั่นย่างนี้มีหน้าที่จะสิว่าแผ็ตายขนาดนั้นว่าเ <c oughs> ขาใจบอกมีหน้าที่ถือว่าเผ็ดตายในส่วนร่างกายส่วนจิตใจในส่วนจิตใ จ, ใ จ, จใกับมีหน้าที่ปฏิบัติธรรมเท่าที่ต้งควรตามที่กำลังขอ ง, งตนว่าครับ มูนุ่ง่วงล้า ง, งกันยังไม่แนวังเลยนยมันยังนนี่นี้มนีพูวัดวังเราทั้งอ่เดืนนี่ยวัดทัดชางระบาดนี่แอบเทยบราพูดขงเงียบรนี่คำั้ น, นพระอาทิตย์กัดพดละหกโงเย็นคนลหนึ่งทุมมซ้าคุณละบ่เน้นพระอาทิตย์อ่ะคำมันกางเกงก็ขาดก้นแล้วขาดพราเขาแล้วคำมันเลือ ก็วันนี้เนี่ยวัดพระวันท่ะมันมันวันตทิดสั้นทิศี่อยู่ว่ดจับตะปูว่าจับไม่ทาคำนันรถกับเล็กเคกแล้วเค็กแล้วเคกเ อ, เอาเสียก้องฟ้าไทยก็ตัวตัวดัวตัวเน่ะเอาแล้วน้องวันี้น้ะงไปจะปชุกชุกกันอป เออไปทุบไปุบทุบททั้งทั้งโค้กไผ่นข้นขับรถขับรถเนี่ไผคือกันมัดเอาทางปลอดไผ่แกเอาทางพึงไผาเอาทางปลอดไัยอุบายแล้วม่นช่ปลอดไผ่แต่ไม่ต้งกูอะไรท่านเพราะว่าหน้าผุทุ่งพร้อมวับปีนังดอกอันค้นที่ไปส้นกันเน่ครืองต่างค้นต่างกึ่งก้ามใช่กันหวัดพึงไผ่ไม่ได้ส้นกันท่ดอกกึ่งก้ามใช่กันเน่ยสนหลังหลุดฉันก็กึ่งก้ามเช่ดกันนว่าปีนังดอกไม่รอดหรอ มึงจักบอกกึ่งกรม <laughs> บอกว่าสวยงาเสียเปรียบเอาเขามาพียเข้ากับพียเ อ, อ, อเขาไปไว้ปานายกร้างเขากสิบหอนี้ใ น, ในประเทศไทยนี่แะเขาจะไปสเขาติขีความนําหะสมุติรเไปไว้ไบ่ไปไวไ้ ไ, วได้หรอกมว้ปานายมันก็จะไปยุประเทศไทยในย่าหัวมันแทนเป็นพระสนะเป็นมานพราะบ่จาเป็นเย่าไปเย่าไปแซงเขาแซงเขาเนาะ่าถือบักขีเราไม่ ย, ยอมเขา อ, อุกกรเน่ มันโมยเ่าเสียเปียบเลมันลืมที่ฮะเนี่ยมัวตะกึงตะกล้าตกันยุบขึงกันอย่แส่งกัน่มันลืมตอน น, นี้มีเตะเห่าสองคนพอพนันบอกถ้าหัวถนวนอนะ่ะมันมีเตะเห่าสองคนพอไปแ่งกันโยหันเนี่ยกไปแฉ่งกันยหันหานาที่ขงอา ท, ทีขั้นอื่นกัมา ล, ล่ะเผงลเนี่ยวิ <c oughs> ั่นบอกนี่หละขอเจ้าขั้นมาสามแหกะี่แหนะกับือกำสามแหนะี่แหกเป็นตะวิตเป็นตะพนไหนต้องพากันไปว่าเป็นตวิตะพนไหนต้องพกันเข้าไปอยเขา ขันเท้าไปไปส้นเขานั่งขันไปถือผู้เศรษฐีเาสู่เขาบัไลัเร่อน้องขันว่ามันเท้ามันเขามาส้นเท้าเขายังสู่เขาบ่ลลัยอยู่นี่ระวังหนักเขามาส้นเท้าวับอือเขายังเอาผีกับเท้าโากเขาเป็นเขาถือว่าเขาเป็นสนนสายเอกเร่อเศรษฐีมันเดินตามสนนสายเอกเลยอระวังมันดีอมันบวชในมาถนนจักรกลแล็กมันบับ จ้างคือมวฮ้เอเนยพวกเศรษฐีนะมันไปถนนสายเอกคนละมาจอดรอกอย่เลยเขาขายม้มาหรกรถโดยสารย่าไๆนะสำคัญรถอนไรก็สำคัญหวดแหละกับรถรเศรษฐีไฮระวังออมัน ม, มีเอมมีแอมนะไฮระวังไฮมันีผ <c oughs> ู้เขาเป็นท่าของใครอยู่หรอถือผู้เขาไมเป็นท่ามโอ้ยเขาแหงะักพักกันเมือก